ม้าจิ้งจอกกับแพะขึ้นชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกย่อมกลิ้งกรอกเจ้าเล่สมชื่อเด็กๆอย่าทําตัวให้ใครเขาเรียกเราได้ว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกเที่ยวหลอกคนอื่นนะคะสุนัขจิ้งจอกในเรื่องนี้แม้มันจะมีสติปัญญาแต่ก็ชอบใช้ในทางที่ผิดเที่ยวเอาออเปรียบผู้อื่นอยู่ร่ําไปนั่นแหละคะ่ะ นิสัยของมันลองมาฟังเรื่องราวของมันดูสิมันกำลังเดินมาทางนี้แล้วค่ะลิ้นห้อยหอบแทกแทกมาเชี่ยวสงสัยว่ากำลังกระหายน้ำนเดินมาเจอบ่อน้ำแล้วก็ดีใจมาก โอ้โหบ่อน้ำที่มันเจอก่กอนลึกซะด้วยค่ะแต่ว่ามีน้ำใสหน่ากินอยู่ที่ก้นบ่อความกระหายทำให้มันพยายามเย็งก้มลงไปให้ถึงผิวน้ำเพื่อจะได้ดื่มกินแต่สุดท้ายก็พลาดท่าตกลงไปในบ่อจนได้มันได้แต่ตะเกียรตะกายไปอย่างหุ่นลักหุเล ดานั้นอีกาพลัดถิ่นบินผ่านมาตรงบ่อพอดีออออมันเบ่งอึปลูดเดียวลงบนหัวเจ้าหมาจิงจอกอย่างแม่นยนเจ้าหมารู้สึกเหม็นและเสียฟอร์มอย่างยิ่งยังไม่ทันได้อ้าปากต่อว่าอีกาสักคำเจ้า ก, ากาก็รีบชิงขอโทษซะก่อนว้าขอโทษทีนะ ว่าแล้วอีกก็รีบบินจากไปอย่างหน้าตาเฉยส่วนเจ้าหมาจิ้งจอกก็โกรธควันอุบไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่ทำเพลงปลอบใจตัวเองแทน มีลูกแพะเสื้อซ่าตัวหนึ่งกำลังเดินผ่านมาทางนี้พอดีคาดว่าคงกำลังหิวน้ำอยู่เหมือนกันเมื่อเห็นหมาจิ้งจอกลงไปลอยคออยู่ในบ่ก็ร้องถามลงไปว่าอา้าวพี่หมากำลังเล่นน้ำอยู่หรอกนะจ๊ะไม่หนาวแย่หรอหมาจิ้งจอกคิดแผนออกทันทีแซงทํเสยะยิ้มพร้อมตอบเสียงหวานว่า จะจะจะใช่ใช่แล้วแม่น้ำในบอลนี่นะไครเขาก็ว่ากันว่าเนี่ยจากสิทเชียวละถ้าใครได้ลงมาทำเนี่ยผิวพันณจะเปล่งปังสดใสขนเขาจะยิ่งเงางามนี่ด้ยิ่งได้ดื่มด้วยนะแม่เจ้าปกักขูเลยรบชาติมันช่างอาศจ ร, ร์ หวานชื่นใจอย่าบอกไกลชี่วละโอโ้มันช่างอร่อยจริงๆน่ะน้ำก็เย็นสบายไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยแล้วแล้วมาลองมาดื่มด้วยกันเถอะลูกแพะได้ยินคารมหลอกล่อ ด, ดังนั้นหาได้ตรีตรองไหมกระโจนลงในบ่อทันที หมาจิ้งจอกศกช่องก็วัวเราะชอบใจร<ล> อ, <ง stood>อเดี๋ยวนะ้องทำน้ำเล่นไปบางพางก่อนดีกวา่าเดี๋ยวกี่ฉันนวดรังให้น้องเองนม่เจ่ว่าแล้วก็เหยียบหลังและเขาของเจ้าแพะโชคร้ายเพื่อกระโดดขึ้นฝั่ง<โดย>แล้วก็ชงโกกหน้าลงไปในบ่อพร้อมเย้ยหยันแพะอย่า ง, างไม่ใยดีว่า น่าสมร่าเก่งจริงเลยเจ้าพาสเบิร์ถ้าเจ้ามีความคิดมากกว่าเส้นเขาที่อยู่ใต้คางของเจ้าแล้วเนี่ยไหนเลยนะเจ้าจะใจเลวดวนได้โดดลงมาหาเราให้เสียทีถึงเพียงนี้ตามจริงจะควรจะคิดให้รลอกข้าเสียก่อนว่าสิ่งที่ข้าพูดนั่นนะสมจริงหรือเปล่านะเจ้าพา เจ้าแพะผู้น่าสงสารได้แต่ลอยคอตาละห้อยพร้อมกับทำเพลงปลอบใจตัวเองไปอย่างซื่อๆื่อ การเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดจริงๆค่ะเด็กๆอย่าหลงกลครมหวานหรือหลงเชื่อใครเขาง่ายๆโดยปราศจากการใคร่ครวญไตรตรองเสียก่อนเชียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการงานใดๆถ้าเราเอาแต่ใจเร็วด่วนได้ไม่คิดให้รอบคอบเสียก่อนแล้วจึงทำเมื่อเสียทีพลาดท่า ก็จะเสียหายได้รับความอับอายและแถมจะเป็นอันตรายอีกต่างหากนะจ๊ะเด็กๆ